คําสอนของหลวงพ่อเขียนที่ธรรมาประทับใจก็คือคําสอนว่ายาวผิดเยาวถูกเยาวเหตุหยาวผลเมื่อก่อนอรรมาเคยร่วมงานกับหลวงพ่อคือตัวธรรมาเนี่ยเป็นกรรมประชาจารย์มีหน้าที่บวชนาคหรือเป็นผู้สวดธรรมมาเป็นคนที่ทํางานมีการวางแผนเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดแต่ครั้นมาทํางานกับหลวงพ่อบางครั้ง ไม่ได้เป็นไปตามนั้นพันธิแผนที่วางมาเนี่ยถูกหลวงพ่อทำลายหมดเลยกลายเป็นต้องทํางานเฉพาะหน้าเพราะหลวงพ่อทํางานไม่มีกติกาไม่มีแบบแผนใดทั้งสิ้นบางครั้งหลวงพ่อรับนาคที่สมัครบวชเดี๋ยวนั้นลงทะเบียนเดียวนั้นบางทีชื่อเราเรียงไว้ดีแล้วก็ต้องเปลี่ยนตําแหน่งหมดหรือมีอหลายงานถ้าไปกับหลวงพ่อจะต้องตื่นตัวบ้องวัยรวดเร็วเพราะหลวงพ่อนึกจะไปก็ไปนึกจะกลับก็กลับ มีพระหลายรูปที่ไปแล้วโดดหลวงพ่อทิ้งที่ปลายทางก็มีคือไม่สนใจหลวงพ่อหลวงพ่อกลับหลวงพ่อก็อกทิ้งเลยต้องนั่งรถเมย์กลับเองหลวงพ่อฝึกให้ลูกศิษย์เนี่ยมีฟางกระตือล้นแล้วก็ทํางานเฉพาะหน้าด้วยไหวพลิบเพราะแผนจะเปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งไม่ได้เป็นไปนดังใจเรานึกหลวงพ่อเคยนิบบตัณมาไปสวดมนต์ฉันเพลโดยเร่งตั้งแต่เช้าแล้วให้ไปรอ ที่วัดภูขาทองรอแล้วรอเล่าเจ้าภาพก็ยังไม่มาถึงเพจแล้วหลวงพ่อถึงนึกขึ้นมาได้ว่าจําวันผิดเมื่อก่อนอาตมาเวลาบวชหน้าตอนนั้นเราอย่งสวดไม่ค่อยเก่งก็ต้องกางหนังสือสวดระหว่างที่สวดๆอยู่เนี่ยหลวงพ่อหอบไปดึงหนังสือเอาจะออกจากมือเลยนับตั้งแต่วันนั้นมาอัตมาก็ไม่เคยกางหนังสืออีกเพราะหลวงพ่อเน้นจะต้องสวดปากเปล่าให้ได้ แล้วมีอีกหลายเรื่องที่หลวงพ่อฝึกเราให้เราอย่ายึดกั บ, กบแบบแผนแบบแผนเดิมๆที่ติดเป็นนิสัยการถูกกาผิดจะสร้างปัญหาเยอะมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้เกิดที่ประเทศจีนในวัดอยู่แห่งหนึ่งก่อนที่จะตีละครถวัลเช้าก็จะมีพระอยู่รูปหนึ่งมาเก็บหอยทากไปปล่อยหอยทากเนี่ยจะอยู่มากมายบนถนนที่คนจะไปทําวัด พระรูปนี้เป็นห่วงกลัวว่าเดี๋ยวคนเดินมาจะเหยียบทำให้หอยหอยทากตายทำอย่างนี้ทุกวันจนไปที่สังเกตเห็นของพระอีกรูปหนึ่งท่านก็เข้ามาต่อว่าว่าท่านทํำไ้เพื่ออะไรพระที่เก็บหอยทากไปปล่อยเขาบอกว่าทำเพื่อสะสมความดีสร้างบุญสร้างบุศลและไม่อยากให้คนอื่นจะต้องเหยียบหอยตายและต้องเป็นบาปด้วยพระรูปนี้ก็บอกว่าทางการได้ประกาศให้กับจัดหอยทาก ซึ่งเป็นสัตว์ที่แพร่พันเชื้อโรคและทำลายพืชผลทางเกษตรให้เสียหายท่านทำงี้ถ้าก็ส่งเสริมและเพาะพันธุ์หอยถ้าเป็นการขัดนโยบายของทางการไพ่ อ, อีกรูปหนึ่งเห็นเข้าก็เข้ามาบอกว่าท่านนี้ไม่ผิดหลอกท่านมีเมตตาหลุดโพธิสัตว์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์เพราะสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีจิตพุทธะสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกัน สามารถเรื่อนชั้นได้ทั้งสามก็เถียงกันตกลงกันไม่ได้จึงไปหาเจ้าวาดอาจารย์ตโตกุสันเจ้าวาดุ้ท่าก็นั่งยิ้มฟังพระสามรูปชี้แจงพระรูปแรกก็บอกผมเนี่ยมาบวชต่ออายุเยอะแล้วก็อยากทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะความดีก็เปียบเหมือนน้ำหยดทีละหยดสักวันก็ต้องเต็มตุ่ม ผมจึงมีขวสึกว่าการที่ช่วยเหลือปล่อยเหย่อทางเนี่ยไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใดใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์โตกุซันยิ้มแล้วก็บอกว่าถูกถูกของเธอพาลุยสองก็ชี้แจงว่าบัตรนี้ทางการได้ลดลงการกับจัดสัตว์ชนี้อยู่เพราะเป็นการแพร่พันธุ์เชื้อโรคและทำลายพืชผลทางเกษตร ถ้ามีมากเกินไปก็กลายเป็นแหล่งพ่อพันตอนนี้จะมีมากที่วัดเราและการที่คนมาเหยียบให้หอยทากตายก็ถือว่าไม่ได้เจตน า, นาไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใดถูกต้องไหมครับหลวงพ่ออาจารย์เจ้า ว, วาดขหัวเราชอบใจแล้วก็ตอบว่าถูกถูกของเธอพระรูปที่สามชี้แจงขึ้นเราบ้างว่าพระรูปแรก ที่ปล่อยหอยทากพอมีความเมตตาเหมือนพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีโอกาสที่จะรู้ทําได้เหมือนกันมีโอกาสเลื่อนภพภูมิดูอย่างมหาโจรทําบาปมามากมายขนาดไหนก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้และเป็นการเสียหละมาให้ผู้คนเนี่ยต้องจิตตกเมื่อเหยียบหอยทากตายอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์อาจารย์โตกุสัน ได้ฟังก็ชอบใจตอบว่าถูกทุกของเธอเนนซึ่งนั่งฟังอยู่ข้างหลังรู้สึกคางแทงใจมากและข้องใจจึงถามหลวงพ่อโตกุสันว่าหลวงพ่อทั้งสามท่านเนี่ยหลวงพ่อตอบถูกถูกทุกคนมีถูกก็ต้องมีผิดใช่ไหมครับหลวงพ่อมันจะถูกทุกคนได้งไงอาจารย์โตกุสันก็หันมายิ้มให้กับเนน ก็ตอบว่าถูกถูกของเธอนิฐานเรื่องนี้ก็จบเจ้าวาดท่านออกจากเรื่องถูกเรื่องผิดแล้วท่านก็มองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผีกับลูกวัดที่ทะเลาะ ก, กันเพราะตากล่าเอาเหตุเอาผลมีถูกมีผิดวันใดที่เค่งวัด น, นั้นอนะ่ะมักจะทะเลาะ ก, กันเพราะว่าเพ่งโทษกันเองบางครั้งคนนี้ก็ทําไม่ดีไม่ทําตามกฎิกาแม่ชีก็ทะเลาะ ก, กันก็มี ทำให้อยู่กันแบบไม่ผาสุกนิสัยคนเราแตกต่างกันบางคนอาจจะไม่ชอบทำวัดไม่ชอบฟังธรรมแต่ถึงยามที่มีงานหนักอย่างต้นไม้ล้มหรืองานยากๆบางอย่างเนี่ยบุคคลเหล่านี้กลับเป็นฮีโร่ทุ่มเทแรงกายแรงใจแบบไม่หวงแรงทำให้งานสำเร็จรุ่วงได้เพฉะนั้นจึงไม่แน่เสมอไปว่าคนทำวัดเชา้าวัดเย็นคนขยันภาวนา จะต้องถูกเสมอไปเพราะบางครั้งอาจจะไม่ช่วยงานเลยก็ได้อยู่เินแบบแพ้สูข ก, ก็ต้องไม่เอาผิดไม่เอาถูกไม่เอาเหตุไม่เอาผลมีอานอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่ทประเทศจีนเหมือนกันมีวัดอยู่แห่งหนึ่งมีพระอยู่สองรูปเป็นพี่น้องกันพระผู้พี่เป็นเจ้าวาดเป็นคนที่มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดคงแก่เรียนส่วนพระผู้น้องเป็นคนที่โง่เขลาเบาบัญญา และตาบอดเหลือตาอยู่ข้างเดียวแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีพระอครุกะจะมาขอพักค้างคืนด้วยในสมัยนั้นตามวัต่างๆก็มีกติกาว่าพระอคาุกะจะพักแหลมที่ไหนก็ต้องโตธรรมะให้ชนะพักเจ้าบ้านให้ได้เพราะว่าจะต้องการทดสอบปัญญาว่าบวชมาเนี่ยตั้งใจบวชมาหรือเปล่าได้ล่าเรียนได้ขนหัวาหามรู้หรือเปล่า เายิงมีกติกาแบบนี้กันพระผู้พี่เห็นหน้าพระอรุกะแล้วเกิดถูกชะตาก็อยากให้พักแต่ก็ให้น้องชายไปโตธรรมะแทนเพราะมองว่ายังไงก็โต้ไม่ชนะทั้งสองจึงมาเจอกันที่ห้องโถงพระอรุกะมองหน้าพระผู้น้องตาเดียวแล้วก็ชูนิ้วคือหนึ่งนิ้วพระตาเดียวก็ชูสองนิ้วพระอรุกะชูสามนิ้ว พระแตเดียวชูกำปั้นหลังจากนั้นพระครุ ก, กะก็รีบมาหาเจ้าวาดผู้พี่แล้วก็บอกว่าผมแพ้แล้วต้องเดินทางต่อพระผู้พี่ก็สงสัยก็ถามว่าคุณแพ้ได้อย่างไรพระน้องท่านมีปัญญาฉลาดมากผมชูหนึ่งนิ้วหมายถึงพระพุทธน้องชายท่านชูสองนิ้วหมายพรามว่ามีพระพุทธก็ต้องมีพระธรรม ผมชูสามนิ้วหมายถึงมีพระพุทธมีพระธรรมต้องมีพระสงฆ์ด้วยน้องชายท่านชูกำปั้นขึ้นมาบอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องรวมกันเป็นหนึ่งผมจึงยอมแพ้แบบซิโรราบไม่เครือบแคงสงสยัยแดอย่างใดว่าแล้วก็ขอลาจากไปสักพักหนึ่งพระน้องชายก็วิ่งก็ขี่ ก, ก็หอบมาบอกไหนไหนมันไปไหนแล้วจะขอชกหน้ามันสัหน่อยพระพุู้พีก็สงสยัยก็บอกเอา้าชนะแล้ว ทำามยังโกรอยู่อีกพลรัชชัยก็บอกว่าน้อยผมเห็นเป็นอะคาดุกะอุตสาหให้เกียรติหมายมาถึงก็ชูหนึ่งนิ้วหมายความว่าผมมีตาเดียวผมก็ชูสองนิ้วหมายความว่าท่านโชคดีที่เกิดมามีสองตามันกับชูสามนิ้วหมายความว่าเราสองคนรวมกันมีสามตาผมโกรธมากผมได้ชูกรป้้นขึ้นมันก็เลยรีบออกจากที่นั่นไป อยู่ไหนอยู่ไหนพระผู้พี่จึงได้แต่ปงนิทานเรื่องนี้ก็จบเรื่องนี้จะเห็นได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีปัญญาแตกต่างกันคิดก็ไม่เหมือนกันอีกคนหนึ่งคิดเรื่องลบอีกคนหนึงคิดเรื่องธรรมะอย่างอย่างพระตาเดียวกับพระอารุกะเนี่ยจะเป็นตัวอย่างได้ไปคนละที่คนละทางการที่เราอยู่วัดเดียวกันบางทีก็มีทั้งผู้เก่าผู้ใหม่ผู้ใหม่ก็ยังไม่เคยผ่านการเรียนรู้มีการฝึกฝนตัวเองมาน้อย ยังเขยังต้องต้องเรียนอีกมากเรียนเพื่อรู้จักตัวเองฝ่ายผู้ที่เก่าแล้วอาจจะมีประสบะการณ์ชีวิตมากกว่าเคยผ่านอารมณ์ต่างๆมามากทั้งเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องขัดใจพอผ่านประสบะการณ์มามากเนี่ยมันเห็นแล้วมันปล่อยวางได้เร็วกว่ารู้อะไรควรยุ่งอะไรไม่ควรยุ่งมาคัดประสบะการณ์เป็นสอนอย่างวันนี้อย่างเช้านี้เราก็มีการสวดมนต์บทอธิบนนั ม, มีองค์แปด บทที่6คือความเพียรชอบและบทที่สัมมาสติคือความระลึกความระลึกชอบความเพียรชอบที่ถูกต้องก็คือการละจิตที่เป็นอกุศลสะสมจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลก็คือจิตที่ช่วยเหลือคนอื่นละความเห็นแก่ตัวให้ทานรักษาศีลภาวนาแผ่เมตตาการทำความดีต่างๆนี่เป็นจิตที่เป็นกุศล แต่ถ้าไปจิตที่เป็นอกุศลก็คือเห็นกค่ตัวโลภอิจฉาลิษยาเปรียบเทียบแต่ถ้าผู้ใหม่ก็จะไม่รั้วหลมเหล่านี้จะแยกไม่ออกว่าไหนเป็นกุศลไหนเป็นอกุศลถ้าจิตเป็นกุศลจะคิดแล้วเบาไม่เผาเป็นจิตที่สบายสบายถ้าจิตเป็นอกุศลจะหนักคิดแล้วทุกข์การปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมีสัจจะหรือวินัยพิเศษถ้าเราไม่มีตัวนี้ การปฏิบัติธรรมก็ยากอย่างพวกโยมอยากเดินจงกลมสักชั่วโมงนึงตั้งใจว่าจะเดินสักชั่วโมงเดินไปเดินมาเดี๋ยวความคิดนก็หลอกให้เลิกเห็นไอ้นู่นก็อยากทําอันี่อยากก็อยากทําเดินออกนอกการเดินจงกลมไปเลยหรือเคลื่อนมือก็เหมือนกันถ้าเราไม่ตั้งจิตอธิษฐานยกมือไปได้แป๊บหนึ่งก็เลิกเหมือนกันเพราะกิเลสมักมีวิบายหลอกล่อให้เราเลิกปฏิบัติโดยที่เราไม่รู้เท่าทัน แต่ถ้าเราตั้งกิตอธิษฐานขี้เกียจก็ทําขยันก็ทําอาจจช่วยได้แต่เรามีความเพียรความตั้งใจที่ถูกต้องมีนิทานเซนอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้ส่งเสริมการทําความเพียรอย่างมากทําสิ่งที่ทํายากและทาแล้วต้องให้เกิดความสำเร็จด้วยเรื่องนี้เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าซินไก่คนที่หน้าตาดีฉเฉลียวฉลาดทํางานเก่งทํางานรับใช้อยู่ที่บ้าน ของขุนนางโชกุนท่านหนึ่งด้วยความที่เป็นคนที่เก่งและและหน้าตาดีจึงเป็นที่ชอบใจของภรรยาขุนนางจนในที่สุดก็ลักลอบไปชู้กันผ่านการเป็นชู้กันระยะหนึ่งขุนนางก็จับได้และโกรธมากจึงฟาดมีดหมายฆ่าชายหนุ่มให้ตายด้วยการรักษาชีวิตให้รอดเจอโต๊ะเจอเก้าอี้อะไรก็บรรลับดาบสะบูไยที่ฝันมาแบบไม่ยั้งปกป้องชีวิตตัวเองฝ่ายภรรยาของขุนนางทึ่อยู่บริเวณนั้น ก็ตัดสินใจคว้าดาบที่แฝงอยู่ที่ผนังโยนให้ชายหนุ่มเพื่อป้องกันตัวเพราะกลัวว่าถ้าเกิดสามีฆ่าสินก่ายตายตัวเองอาจะโดนด้วยด้วยความที่หนุ่มแน่นกว่าชายหนุ่มก็สามารถฆ่าขุนานางได้ด้วยความพังมือแบบไม่ตั้งใจเพื่อรักษาชีวิตรอดหลังจากฆ่าขุนานางตายแล้วเขาและภรรยาก็หนีไปได้วยกันและไปใช้ชีวิตเป็นผัวเมียกันแต่ด้วยความที่อายุแตกต่างกันมาก แลอุปนิสัยใจคอแตกต่างกันหนุ่มสินไก่ก็เริ่มเบื่อนายในภรรย า, ยามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทําบาปทํากรรมทรยศต่อผู้มีพระคุณคือเกิดการสํานึกผิดจึงหาทางเลิกกับภรรยาแล้วก็ไปบวชเป็นพระพระพิสุสินไก่ก็ได้เดินทางมายัางสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนี้ปีเทือกเขาสูงขวางกั้นระหว่างหมู่บ้านการเดินทางคนหมู่บ้านนี้ถ้าจะเข้าเมืองจะลำบากมาก ภูเขาสูงชันทางเดินก็โคตรเคี้ยวคนตกเขาตายและบาดเจ็บปีหนึงหลายๆคนท่านเห็นเข้าวก็เกิดความสงสารมีความรู้สึกว่าถ้าเราสามารถเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขานี้ได้ก็จะทําให้ประชาชนหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถเดินทางเข้าเมืองแบบสะดวกขึ้นความคิดนี้ท่านไปคุยกับใครคนก็บอว่าท่านบ้าเป็นไปได้ยังไงที่จะเจาะภูเขาใหญ่ขนาด น, นั้นได้แล้ววันต่อมาท่านก็เริ่มลงมือทําหลังจากไปบินทบาทมา ท่านฉันอาหารเสร็จแล้วท่านก็นําคอนแล้วก็ส ก, กัดเริ่มลงมือส ก, กัดทันทีท่านก็ส ก, กัดทั้งวนันดังป๊อกป๊อกป๊อกใช้เวลาเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็ทําต่อทําอยู่เช่นนี้ทุกวนันทุกวนันชาวบ้านบริเวณ น, นั้นผ่านมาก็ว่าท่านเน่ยไม่ปกติทําสิ่งที่คนอื่นเขาไม่คิดจะทํากันหินภูเขาก็สึกลงมาเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าท่านก็ไม่เคยเลิกจากพระหนุ่มตอนนี้เป็นหลวงพ่อแล้วเพราะท่านบวชอายุ ป, ประมาณยีตอนนี้ท่านก็ เกือบห้แล้วกายเวลาผ่านไปประมาณ28ปีวันหนึ่งก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาตามหาท่านท่านมาถึงแต่ชายหนุ่มก็แปลกใจตรงที่ว่าคนที่ตามหาเน่ยกลายเป็นพระจึงถามชื่อถามประวัติหลวงพ่อสินไก่ก็บอกความจริงว่าเป็นต้นนี่แหละที่ข่าพ่อของท่านและยินดีจะชดใช้ศีรษะให้แต่ขอให้อัตมาเนี่ยทำงานให้เสร็จลุล่วงซะก่อนเพราะถ้าอุโมงคทะลุภูเขานี้เสร็จคนส่วนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์ อีกมากถ้าเสร็จไม่อไรก็ยินดีจะมอบศีษะให้ทันทีสบุไยหนุ่มได้ฟังนั้นๆก็เห็นว่าก็จริงอย่างท่านพูดถ้าท่านตายลงงานก็ต้องเลิกล้มไปรออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรจรึงตกลงไปตอนแรกก็ระแวงกลัวหลวงพ่อสินไก่จะรบสังหารใชายหนุ่มต้องพกสมุไรตลอดเวลาแล้วบางครัแอบดูว่าท่านจะอู้ไหมแต่ก็เปล่าเลยหลวงพ่อก็ทํางานตามปกติแถมพยานทํามากกว่าเดิมด้วยบางครั้งกลางคืนก็ยังขุด เจาะอุมโมง์อยู่อย่างไม่รู้จักเนี่ยรู้จักเหนื่อยด้วยความที่ไม่รู้จะทำอะไรชายหนุ่มจึงลงมือช่วยขุดด้วยเพื่อให้อุมโมงเสร็จเร็วๆยิ่งขึ้นทั้งคู่อยู่ด้วยกันแบบผาสุขทํางานด้วยการกินอยู่ด้วยกันจนในที่สุดอุมโมงก์ก็ทะลุอีกฟางหนึ่งจนได้คานอุมโมงค์เปิดแล้วหลวงพ่อสินไก่ก็บอกชายหนุ่มว่าตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมอบศีรษะให้ท่านแล้วเชิญมาตัดได้เลย สบบุไลหนุ่มแต่ยีดังนั้นก็ก้มกราบหลวงพ่อหนาผากจดพื้นแล้วบอกว่าผมจะฆ่าอาจารย์ผู้มีพระคุณต่อผมได้อย่างไรอันนี้คุณธรรมในตัวหลวงพ่อสินไกรสามารถพิจิตชายหนุ่มสบบุไยที่มีอาฟามาคาดแคนให้จากเกียรติให้เป็นรักได้คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้และอุโมงนี้ก็มีอยู่จริงอุโมงคทะลุภูเขาจากแรงงานของคนคนหนึ่งบุรุษ ผ, ผู้มีหัวใจสิงความกว้างของอุโมงประมาณ30มฟุต สูงประมาณ20ฟุตฟาร์มยาวก็เกือบกิโลเมตรก็ถือว่ายาวพ อ, พอยาวน่าดูอะเพราะใช้เวลาขุดถึง30ปีภูเขาลูกนี้ก็อยู่ที่จังหวัดบูเซ็นประเทศญี่ปุ่นอยู่แถวตอนใต้เดี๋ยวนี้ก็ได้มีการทําใหม่ฝ่าพยายามคืาฝ่าสำเร็จถ้าเราวิจัยที่มุ่งมั่นอย่างเช่นพระภิกษุสิธธนายในเรื่องนี้การทํางานเราต้องมีสติด้วยถ้าเราไม่ไม่จิตสติเราก็เป็นการอาอกกาลังกายเท่านั้นประโยชน์ก็น้อย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 คือการงานานั้นต้องทำด้วยสติมีสมาธิมีขันตีมีอุสาหมีสัจจะมีธรรมะมีปัญญามีศรัทธาและก้าหารรักงานจริงอันที่จริงการงานานั้นน่ารักเมื่อยังไม่รู้จักก็อางขนางไม่รู้จักก็ปล่อยปะแล้วละวางบ้างล้องขางเมื่อลรอหน้าว่าเบื่อจริงแต่ที่แท้การงานานั้นาน่ารักสอนให้คนรู้จักไปทุกสิ่งถ้ายิ่งทายิ่งฉลาดไม่พลาดยิง ได้ตรงดิ่งสิ่งอุกิจคือจิตเจริญการงานนี้ดูให้ดีมันน่ารักเป็นการชักธรรมะมาน่าสารเสริญคือมีสติฉันทะธรรมะเกินขันหยุดเพลินจิตก็วางทางนิพพานอันการงานนั้นประเสริฐตรงที่สนุกยิ่งทํางานยิ่งเป็นสุขทุกสถานทําชีวิตให้สดใสใจเบิกบานในการงานประจําวันนั่นเองนาะเมื่ออย่างนี้มีแต่คนวิมลจิตเย็นสนิทดวงใจไร้โทสา เกิดสังคมที่อุดมด้วยเมตตาอยากเรียกว่าทรมิกะสังคมนิยมผลของงานล้นเหลือเผื่อแผ่ทั่วสัตว์ทุกตัวใหญ่น้อยพลอยสุขสมทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่ได้ชื่นชมโลกระดมสุขวางทางนิพพานอันนี้จะเห็นได้เลยว่าหลวงพ่อพุทธาเนี่ยท่านแต่งก่อนไว้สำหรับให้กำลังใจคนทำงานแล้วก็ยืนยันว่าการทางานสามารถปฏิบัติทาได้เมื่อจะเป็น งานในชีวิตประจําวันต่างๆตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันขับทายกินดื่มการเดินทางอันที่การปฏิบัติธรรมนอกรูปแบบเวลาล้างจานเราก็ล้างให้สะอาดล้างแบบมีสติเวลาฝาดใบไม้เราก็ฝาดแบบมีสติแต่ถ้าเราไม่มีสติในการทํางานทําไปก็ฟุ้งซ่านไปอันนั้นก็ประโยชน์น้อยอย่างวันนี้ที่วัดเราก็จะมีกรรมกรสามาคัคคีจะจัดทุกปีเวลาเข้าพรรษาวันโกนก่อนวันพระใหญ่เพื่อให้พระไม่ฉีดยายโยนในวัด ได้ร่วมกันทํางานการทํางานถ้าทําไม่เป็นก็สามารถทำเราทุกได้อาจจะเจอเรื่องที่ขัดใจทําไมเพื่อนถึงทําอย่างนี้ทําไมเพื่อนถึงชวนคุยกันอันนี้มีการสอบอารมณ์แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวปีวิเวกก็ยอมเข้ากับหมู่เข้าคณะเราก็ไม่สามารถเช็คได้ว่าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยได้ผลแค่ไหนไอเป็นคนที่อ่อนแอเจอลมก็หนีไม่สามารถสอบผ่านได้ การงานก็ต้องมีสติด้วยงานถึงออกมาดีเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านท่า น, นเราทางานเป็นเราก็ต้องทำงานไม่ให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์ทำงานแล้วมีความสุขพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำอาอารมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรเวลาขอจะ ท, ทาทุกท่านจะมีความสุขความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไป